บุ๊ก <52 S> 2ห้าสิบสองห้าสิบสในห้างสปปรรพสินค้าเดパートเดเราไปห้างสปปรรพสินค้ากันไหมเดパートนี้ไปกันไหมต้องไปซื้อของ ผมอยากซื้อของหลายอย่างたくさん买いたいですแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับどこですかผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนンンผมต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิก บอล펜とフェルトペンがりますแผนกเฟิเจอร์อยู่ที่ไหนคากริบาวะどこですかผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชักตันส์โตเซがりますผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ机と棚がいりますแผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีนิ้ยงโตเทดี้เบร์กผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกซากกาบอลและเชりますอยผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ工具売り場はどこですかดสผมต้องการคอนและคีม ハンマーとペンチがะりますผมต้องการสว่านและไขควงドリルとล์และเนจิมผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนアคซซรี่ริบารผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือネนคเดรสレละบรีสเผมอยากได้แหวนและต่างหู 指輪とイヤリングがいります。